สองทุ่มแล้วไปสองทุ่มแล้วไปลงตาเขาจะเปิดเทศลงตาท่านแสดงอบรมพระนะอบรมพระเนะมตตาพูดเรื่องสินสมาธิปัญญามีแต่เรื่องต่อยกับกิเลสชำระกิเลสในจิต ใ, ในใจสองทุ่มถ้าใครใกล้สถานีลงตาให้เปิดฟังนะแต่ฟังใหม่ๆจะไม่เข้าใจนะฟังเขาไปลงตาพูดอะไรแต่พอฟังหลายๆั้นานเข้าศึกษาไปแล้วโอ้ลงตาพูด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 แต่เทศลงตาเนี่ยเป็นท่านเทศขั้นมัธยมขึ้นไปแล้วเออมัธยมกับผสมสละอาสลอาเรื่องกิเล ส, เ ร, เ, สรเรื่องอะไรเนระื่องสับเรื่องแสงเรื่องอะไรเนี่ยรู้แล้วพอท่านพูดเข้าไปในะพวกที่ไม่เคยเรียนสับแสงมาก่อนฟังแล้ว ง, งงเลยแล้วกันเออไม่เข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วจะไดโอ้หเทศของหลวงพ่อเทศของครูบาอาจารย์เนี่ย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 เออมันโทษหนักดีวะ่ะไปส่งไปส่งไปห้องขังจังหวัดอุดอรไปพอข้องตังเอออันนี้มันโทษหนักดีวะไปส่งไปลาดยาวไปส่งไปบางขวางเอไปขังคุกใหญ่ท่านเนี่ยแหละมันบาปกรรมอกุศลมันส่งไปอย่างนั้นเนะเออถ้าเราทํากรรมชั่วเน่ยกรรมชั่วให้สนผลลงไปสู่อเวจีมหานรกเออมีหลายหลุมอีกต่างหาก